ความสุขและความเจริญจงบังเกิดมีแต่ยัดยมและ <c oughs> ผู้ใฝ่ทำทั้งหลายวันนี้เราก็ได้ <c oughs> มีโอกาสในการได้มาฟังธรรมพร้อมทั้งได้มา ปฏิบัติภาวนาเ <c> พ <oughs> ื่อยกระดับจิตของเราให้มีความสงบมีความดับเย็ยนยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ อ, อย่างที่เราทราบอยู่ วรจิตของพระอระหันต์เป็นจิตของผู้ที่รู้ตื่นแจ้งแล้วก็เบิกบานไม่ว่าพระอระหันต์จะอยู่ณแห่งหนตำบลใด ไม่ว่าจะอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ที่ดอนที่ลุ่มที่ตรงนั้นก็น่ารื่นรมทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะว่าท่านอยู่อย่างจิตที่เบิกบานจิตที่ไม่ ไม่ถูกความเศร้าหมองมาคร อ, อบงำจุดนี้จึงต่างกับเราๆท่านๆกันเยอะพอสมควรจริงๆคนเรานะถ้ามีสติลลึกสักนิดหนึ่งเนะี่ย ก็น่าจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ถ้ารู้จักคำว่า<_ <V> _การพิจารณาอย่างยกตัวอย่างเอาแค่เบื้องต้นที่เรามี<_ <V> _ความสุขอยู่แล้วก็คือหนึ่งร่างกายของเราเอง ก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บขั้นร้ายแรงเราก็น่าจะมีความสุขอยากจะเดินไปไหนเราก็เดินได้อยากทำอะไรหยิบช่วยอะไรเราก็ทำได้ จุดนี้ถ้าเทียบกับบุคคลที่ป่วยมีโรคมากเนะี่ยเราก็น่าจะมีความสุขกว่าตั้งเยอะแล้วจะลุกจะนั่งเดินยืนนอนในอิริยาบถไหนก็ทำได้ก็น่าจะมีความสุขแล้วนี่ ประการหนึ <c> ่ง <oughs> ประการต่อมาเราเรามีความเป็นอิสระเราจะทำอะไรจะไปไหนเราก็ไม่ถูกลกุมขังด้วยที่กักขังหรือที่จองจำ เรามีเสรีภาพที่ทำอะไรก็ทำได้ที่ไม่ผิดด้วยกฎหมายก็ถือว่าใช้ได้ไม่ผิดด้วยศีลธรรมก็ถือว่าอยู่ในสิ่งที่ดีงามเราก็น่าจะมีความสุขแต่พอ ความไม่เข้าใจมนุษย์เราเราได้สิ่งนี้มาก็มองไม่เห็นแม้แต่พระพุทธองค์เองได้ตรัสนว่าอโรคยาปรามาราพาบุคคลที่ไม่มีโรคเนี่ยก็เป็นลาภอันประเสริฐ นีส่สิ่งนี้ก็ดีประเสริฐถ้ามุมกลับมากไปด้วยโรคชีวิตมีเครื่องจองจำอยู่จะลุกจะเดินนั่งก็ถูกบังคับไปหมดนั่นเราไม่มีอิสระแน่นอน ตอนนี้เรามีอิสระโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่รุนแรงมากเกินเราก็น่าจะมีความสุขพอสมควรแล้วนะแต่เราขาดการพิจารณาในชีวิตจริงเราหมกมุ่นหรือว่าเราโวเมา อ, อ, อยู่ ในลาบยศสรรเสริญแม้แต่สุขก็ดีแล้วก็หมกมุ่นกันแต่มามาพิจารณาดูบารมีคนเนี่ยมีไม่เท่ากันถ้าบารมีบุญกุศลวาสนา ไม่มากพอไม่เพียงพอเราจะดิ้นรนเท่าไหร่ก็ดูเหมือนมีแต่ทุกข์เพิ่มขึ้นเท่านั้นต้องรู้จักประมาณตนว่าเออเราพึงอยู่พึงใช้พึงจ่ายพึงสแสวงหาพึงคิดพิจารณาอย่างไรจริงเหมาะสม แต่ด้วยความทะยานอยากที่ไม่รู้จักสุดท้ายก็ดิ้นรนไปเรื่อยๆในที่สุดก็ดิ้นรนไปสู่ความทุกนั่นเองหรือดิ้นไปก็ไปสู่ภัยสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไร ฉะนั้นเขาบอกทำอะไรอย่าเกินตัวคิดอะไรอย่าเกินความจริงที่มันมากเกิดมันวุ่นวายแต่มันเป็นทุกข์เปล่าๆมันสำคัญตรงนี้ทยิ่งเราไม่รู้จักพอ ความทยันอยากสุดท้ายไม่ได้ให้ใครมีความสุขได้จริงมันวุ่นวายมันวุ่นวายโยมมองดูพระพุทธเจ้าของเร า, เราท่านๆดูทำไมพระองค์ จึงเดินออกจากสิ่งที่พวกเราดิ้นรนไปเพื่อจุดนั้นกันมันส่วนกระแสส่วนกระแสกันพระพุทธเจ้าเดินออกจากสิ่งนั้นแต่เราท่านทั้งหลายกําลังดิ้นรนไปสู่สิ่งนั้น มันเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าเราเห็นอะไรจึงเดินออกมาทาั้งทั้งที่พระองค์ก็อยู่ในจุดที่เราต้องการยมดูพระเทวทัต พยายามดิ้นไปสู่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากใหญ่อยากเป็นหนึง่งแล้วผลที่พระเทวทัตได้รับนั้นคืออะไรความวิบัติ ความล้มเหลวและความทุกข์พร้อมทั้งมีทุกขติอันเป็นผลที่พระเทวทัตจะต้องไปเสวยกรรมวิบากมันเกินมันเกิดเกิด จริงพวกเราไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งหรอกโยมไม่จำเป็นมันไม่ใช่สมัยจะต้องดีต้องเด่นเป็นหนึ่งเลยเหรอไม่จำเป็นแต่มาไม่ต้องการตรงนั้นไม่ต้องการด้วย เราทำหน้าที่ที่ที่มีอยู่ให้ดีที่สุดถ้ารับมอบหมายหน้าที่ที่พึงต้องทำเราก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดถ้ามีการงานก็ทำการงานให้ดีตามสติปัญญากำลังที่ความสามารถจะพึงกระทำได้ ไม่จนเป็นจะต้องใครดีกว่าฉันไม่ได้ใครดีกว่าเราไม่ได้อย่างเงี้ยไม่มีความสุขต้องคิดใหม่แล้วก็ปล่อยอย่าไปมั่นหมายตัวเองพราต้องดีกว่าใครต้องเอาชนะ ทุกคนไม่ใช่ถ้าคิดอย่างนี้ชีวิตไม่มีความสุขและเราเองก็ไม่เป็นมิตรแท้ให้กับใครได้น่ากลัวที่สุดคือตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นเราจะเป็นมิตรแท้ให้กับคนอื่นไม่ได้เลยแม้จะเป็นสิท เดียวกันก็จะทำลายสำนักนั้นเสียเดี๋ยวไปดูเถอะไม่ว่าที่ไหนแม้เป็นพี่น้องร่วมอุทรมานดานเดียวกันก็ตามก็จะทำทำลายแม้พี่น้องในสกุลเดียวกันไม่ว่าอะไรแม้เป็นเพื่อนร่วมงานก็จะทำลายความสงบสุข ของเพื่อนร่วมงานมีอะไรดีมันไม่ใช่เป็นหนทางแห่งความสุขจริงๆที่เราต้องการท่านไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองทำาลงไปไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนกำลังพูดอยู่มานเขาหลอกอาตมาก็ไม่เห็นว่ามีอะไรดีมาเดินไปถึงยอดเขาอันสูงชันมองลงมาก็มันมีแต่หน้าผาลงมาตกลงมาก็ตาย ยืนอยู่คนเดียวมันก็โดดเดี่ยวสหายเพื่อนเพื่อนแท้ไม่มีเพราะเราเองก็ไม่เป็นเพื่อนแท้ให้กับใครมันก็เป็นสัจธรรมข้อหนึไม่มีโยไมไปหาบัณฑิตในวงสุราที่เมามายกันทุกวัน มันก็ไม่มีบัณฑิตถ้าเป็นบัณฑิตจริงเขาก็ไม่ทำชีวิตให้จมอยู่กับความเมาก็ไม่มียอมไปหาผู้กล้าอยู่ในกลุ่มของอันตภานที่คอยรังแกคน ถ้ามีผู้กล้าจริงเขาก็ไม่ทําตัวเยี่ยงนั้นเขาก็ไม่อยู่ออกมาก็าไม่เห็นมีอะไรแต่ามาก็ยืนพอปีนถึงยอดเขาสูงสุดมีแต่มองลงมาเห็นบุคคลที่กําลังปีนป่ายไม่เห็นมีอะไรที่จะสุขกว่าผู้อื่น ถบอกถ้าพวกเราจะครองคนเราต้องครองที่ใจชนะคนต้องชนะใจไม่ใช่ชนะที่จับอาวุธว่าใครฆ่าได้มากกว่าคนนั้นเป็นผู้ชนะใจคนไม่ใช่ไม่ใช่ พวกเราจึงลืมความเมตตาลืมใจของคนไปหมดถูกยศอำนาจเกียรติลาบสการะวันบังหมดจุดท้ายก็ เย่งชิงห่าหัดให้ร้ายทำลายกันช่างไม่มีความสุขเสียเลยวิถีชีวิตอย่างนั้นจะ ก, กี่รุ่นสืบทอดมามันก็เป็นเช่นเดิม จุดนี้เองสำคัญสำหรับผู้ภาวนาและผู้ปฏิบัติผู้ฟังธรรมเราจริงรู้ว่าเราต้องควรสร้างบุญวาสนาเราควรที่จะบําเพ็ญบารมีควรที่จะพิจารณาจเจริญอบรมจิตให้ยิ่งขึ้น ถ้าจะชนะคนต้องชนะที่ใจถ้าจะชนะตนต้องฝึกใจของตนเหมือนกันต้องชนะใจตนถ้าเราสามารถครองใจได้เราก็ครองตนเองได้สบายโยมดูไม่ต้องมากดูพระพุทธเจ้า แม้พระองค์สูงสักด้วยวันนะแต่พระองค์ก็ไม่ได้ติดวันนะแม้จะมีโลกียสุขที่ปรนเปรอพระองค์อยู่พรั่งพร้อมด้วยกรรมมงคลหาพราะองค์ก็ไม่ได้สันเสริมสิกนะ และสุดท้ายก็หยุดบทบาทแหง่งความมัวเมากำหนัดไม่ว่าเครื่องดื่มรูปเสียงกลิ่นรถสัมผัสทั้งหมดอารมณ์เป็นที่ใคร่ทั้งหมดพระองค์ก็จบลง นั่นคือแม้พระองค์จะเป็นหนึ่งถ้าอยู่ทางคราวาสจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แม้ออกบวชก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสรุปว่าพระองค์ ไม่เลือกที่จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเพราะรู้ว่านั่นไม่เป็นไปเพื่อความดับเย็นแท้ไม่เป็นความสุขอันแท้ทรงบำเพ็ญแสวงหาอนุตตรสัมมาสัมโพธียาพอตรัสรู้เสร็ พระพุทธเจ้าแม้จะอยู่เหนือใครด้วยใจแล้วก็ตามแต่พระองค์ไม่ได้มั่นหมายว่าเราต้องเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาประเสริฐกว่าเขาเลิ่อกว่าเขาสูงกว่าเขาคําเหล่านี้ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เสร็จ และก็วางวางชีวิตที่แก่เจ็บตายไม่ให้ลุ่มหลงอีกต่อไปด้วยยศลาภอํานาจสันเสริญและสุขแห่งโลกีพระพุทธเจ้าวางและจบบนบาทในความแก่เจ็บตายไว้ตรงนั้นจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า สุดยอดเล ย, อยของพวกเราที่ต้องแบกแก่เจ็บตายแบไม่รู้อีกเท่าไหร่แบกความเป็นหนึ่งสองสามอีกไม่รู้เท่าไหร่แบกตัวกูของกูไม่รู้หนักอีกสักเท่าไหร่แต่พระพุทธเจ้าเราพอตรัสรู้เสร็จบางเกิดแก่เจ็บตาย ยศลาภอำนาจสรรเสริญโลกิยสุขทั้งหมดโรงอยู่เหนือแล้วไม่ว่าตันหาวิภาวะตันหาภาวะตันหาทั้งหมดพระองค์เดว่าและไม่ต้องการที่จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ เป็นเพียงคำว่าพุทธะตรัสรู้เป็นพุทธะผู้ตื่นรู้แล้วหรือพุทโทธตื่นรู้เบิกบานไม่ได้เป็นสัตบุคคลที่มายึดตัวตนสิ่งทั้งหมดวางไว้แล้วจึงบอกคำว่ามานะ อสมิมาณะอวะมิาณะอิติมาณะมาณะทั้งหมดความถืออยู่บัดนี้ได้ถูกทำลายหมดเห็นไหมจึงพระองค์ไม่มีความเศร้าหมองอีกเลย ไม่ทุกร้อนใจกับใครอยู่เหนือจริงๆแต่ส่วนเทวทัตไม่พอใจฐานะที่มีที่เป็นที่อยู่เห็นคนอื่นดีกว่าทนไม่ได้คนอื่นสำคัญกว่าทนไม่ได้ คนอื่นประเสริฐกว่าทนไม่ได้คนอื่นมีชื่อกว่าทนไม่ได้คนอื่นมีเอกลักษณ์มากกว่าทนไม่ได้ต้องสําคัญว่าตนต้องอยู่เหนือกว่าคนเหล่านั้นนี่คือที่มาของความเป็นพระเทวทัตเชได้เชได้สุดท้าย การดิ้นรนมีแต่เพิ่มความเจ็บปวดเครียดแค้นจริงจังและความทุกข์ไม่มีอะไรเลยที่สุดร็มาบอกแล้วว่าคือความว่างเปล่าไม้ต้อมาไปแย่งของใครนะ แค่คิดตามาก็บอกเอาไปเถอะไปอยู่อีกไม่นานไม่อยากจะมาเสียเวลากับสิ่งไร้สาระมากเกินไม่อยากมีเวรมีกรรมกับใครและก็ไม่อยากให้ใครมีทุก เพิ่มไปอีกจุดเนี้ยถึงบอกจิตของผู้ภาวนาลึกๆแล้วเนี่ยไังไงก็มีเมตตาในห้วงลึกของจิตสุดท้ายก็มีเมตตา และก็อโหสิคือไม่มีเวทตามา น, นั่งสารวจ ด, ดูนะจะผ่านมากี่เรื่องก็ตามสุดท้ายจิตก็มีเมตตาแล้วก็อโหสิมันอัศจัร์นะจะมีเรื่องอะไรก็ตามกี่เรื่องก็ดีเพราะสุดท้าย พอได้ตรึกได้ตรองเรียบร้อยจิตภายในจิตมันก็มีเมตตาและอโหสิจึงบอกว่าอืมเรายิ่งภาวนาไปเราจะเข้าใจคาว่าคุณธรรม มโนธรรมมันลึกซึ้งนะบางครั้งหลายคนก็แยกไม่ออกอะไรคือธรรมอะไรคือมนโนธรรมอะไรคือคุณธรรมบางทีก็สับสนนะ ก็ธรรมดาพวกเรายัางไม่มั่นคงแน่นอนความสับสนวุ่นวายก็ย่อมเกิดพอมีสิ่งบีบคั้นมากๆบางทีมันก็เศอมาหมองได้พวกเราเนี่ยจริงๆเมื่อไรจะวางตตน ให้มันน้อยลงบ้างจะได้หายใจลมที่มันเบาหายใจอย่างผู้มีธรรมะไยมันจะเบาแต่ถ้าหายใจอย่างผู้โกโรธแค้นเนี่ยมันหนักยอมลองโกโรธแค้น ด, ดูหายใจดูดิโอ้โหหนัก แต่ถ้าหายใจอย่างผู้มีธรรมเบาสบายคำพูดมันก็ไม่ร้อนพูดไปก็ไม่ได้ให้ร้ายใครเนี่ยจึงบอกคุณธรรมมนโนธรรมมันจริงอยู่กับผู้ภาวนา แล้วผู้ภาวนาจะต้องรู้เองตอนนั้นว่าไหนคุณธรรมไหนมนโนธรรมใจมันจะบอกใจมันจะบอกสุดท้ายเราจะรู้ว่าจิตของเรานะอยู่ไฟไหนไฟม่าน หรือฝ่ายพระพุทธองค์สุดท้ายจะรู้จิตของเรานีเย็นหรือร้อนเร่าร้อนจิตของเราสงบหรือวุ่นวายทุกคนจะต้องผ่านการเจริญใน หนทางแห่งสุคติและทุคติและจะรู้เองนั่นจึงเรียกว่าปัญญาเกิดจากจิตอย่าคิดแต่ว่าเกิดจากสมองอย่างเดียวนะหลายอย่างที่เรารู้จากจิต หลายสิ่งที่เราคิดจากสมองดูเหมือนมันเหมือนกันแต่ดูเหมือนมันต่างกันดูเหมือนมันต่างกันแต่ดูเหมือนมันก็เหมือนเหมือนกันก็คิดเองพิจารณาเอาอาตมาบอกนะว่าสมองเสียใจไม่เป็นแต่จิตเสียใจเป็นสมองโกรธไม่เป็น ที่โกรธคือจิตของเราลองพิจารณาแยกแยะกันเองมันอาศัยกันอยู่มันนิ้วก็ฝ่ามือมันอาศัยกันอยู่เชื่อเลยเปล่ากิเลส มันไม่ใช่คือเส้นประสาทไม่ใช่คือตัวเยื่อสมองมันสมองใ น, ในกระโหลกศีรษะเียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในกระโหลกศีรษะรักชอบเกลียดชังมันฝังกันข้ามภพชาติ ความอาคาตมันข้ามพบข้ามชาติได้สลีระร่างกายใช้ไม่ถึงร้อยปีก็ถูกย่อยสลายจนหมดสภาพไปอะไรที่มันอยู่ที่ไม่สลาย ไม่ใช่จิตละแต่มาหามานั่งดูว่าทำไมพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์หลายองค์ที่มีอภิญญารู้เรื่องราวที่ผ่านมาตั้งหลายหลายสมัย ย้อนไปไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีดูสิย้อนไปถึงชาติถึงอดีตถึงบุพ ก, กรรมที่มีต่อกันมากับใครเป็นใคร มันไม่ใช่มาจากความจำตรงนั้นถ้าเป็นเพียงความจำเนี่ยญาติโยมไม่เกินร้อยปีลืมไปแล้วสัญญามันไม่เที่ยงนะครับแต่นี่ทำไมรู้ เราลกรู้แสดงว่าจิตที่ใช้ในภูมิพบน้อยใหญ่มันก็ไม่ได้สลายมันสามารถที่พออภิญญาเกิดสามารถ่วงรู้สิ่งที่เกิดมาแล้ว มันก็แปลกดีแต่ว่าเรื่องนี้ก็รู้เฉพาะผู้มีอภินิ ญ, ญาและผู้รู้ทั้งหมดนั้นเป็นผู้สงบแล้วที่พูดเพ้อเจออยู่เนี่ยอย่างใครที่ยังคุยว่ารู้นั่นรู้นี่เนี่ยอย่างมันยังขุนอยู่คุณอยู่ ผู้รู้ชตาชีวิตจริงบางครั้งรู้ก็ยังพูดไม่ได้เห็นไหมยมเคยดูเลยไหมพอจะบอกเขาบอกผิดกฎสวรรค์เขามันมีกฎเกณฑ์ของมัน ชตาชีวิตมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นไปตามใครจะไปเปลี่ยนมันอย่างตามายกตัวอย่างเป็นนิทานอยู่เรื่องหนึ่งก็มีชายพุน่นถูกกำหนดมาว่าต้องเกิดอีกสี่ชาติ กรรมตรงนี้จริงจะชดใช้ปดชาติหนึ่งต้องถูกแทงตายชาติที่สองจะต้องถูกฟ้าผ่าตายชาติที่สามจะต้องถูกเสือกัดกินตายแล้วก็ชาติที่เกิด ก็คือชาติที่สี่ก็ต้องถูกเป็นคนยากไร่เปเนจอดก็เลยอีกสี่พอเกิดมาชาตินี้หนุ่มเปเนจอด ทำแต่กรรมดีขยันอดทนทำกรรมดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ด้วยกรรมวิบากที่ตนทำไม่ดีมาไปอยู่ที่ไหนก็มีเพศภัยเกิดขึ้นเขาก็มองว่าเป็นคน เวลาขีนิรจจรกันแล้วแต่ก็ไล่อยู่ที่ไหนได้ก็เกิดเพศภัยก็ถูกขับไล่อีกไปหมู่บ้านไหนก็เกิดอีกสุดท้ายก็พเนจรไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ป่าระหว่างทางก็เจอโจนกลุ่มนั พวกเทวดาทั้งหลายเห็นชายผู้นี้เกิดความสงสารทำยังไงจะได้ช่วยชายผู้นี้ให้พ้นจากกรรมเขาก็สร้างกรรมดีทุกอย่างแต่ด้วยกรรมวิบากยังให้ผลอยู่ทำไงให้เขาจะได้สิน้นเคราะห์กรรมสิทธีโอแต่พอไปดูกรรมวิบาก ต้องเกิดอีกสามชาติฟาผ่าตายถูกแทงตายถูกเสือกัดกินตายจิงจะหมดกรรมวิบากเทวดาก็ออกอุบายพอตกลงเสร็จก็ถอนหายใจนะ ชายพปเนจรผู้มีกรรมก็เดินทัดเซเปเนจรเข้าป่าไปเรื่อยโจรปล้นมาพอดีชายผู้นี้ก็เดินไปเห็ดกลุ่มโจรก็เปลี่ยนจากกำลังแบ่งทรัพย์สินอยู่ก็วิ่งมาห้อมร้อม เพื่อจะฆ่าปิดปากข้าชักมีดมาจ้วงแทงไปพระรากฏว่าร่างล้มลงตายขาดที่อยู่ตรงนั้นนี่เทวดาช่วยแล้วนะ พยายามทำให้พบมันจบในชาตินี้เลยแต่ว่าต้องเกิดใหม่อีกต้องพนเนจรไปเรื่อยๆกว่าจะตายลำบากก็เทวดาช่วยแต่ต้องมีกฎของวิบากกรรมที่ให้ผลคือจะต้องถูกจนหรือถูกแทงตายก็ปรกากฏถูกแทงตายนี่คือชาติที่สองพอจน ถ้าเสร็จก็แบ่งสมบัติเสร็จก็แยกย้ายกันไป mm hmm. เทวดาก็ช่วยต่อเราแล้วตายแล้วนี่ชาติสองโดนแทงตายบันดาลให้ฝนฟ้าตกกระหน่ำลงมาฟ้าร้องฟ้าแรบสุดท้ายก็บันดาลให้ฟ้า พาลงมาถูกใช้พวกนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าก็เป็นการใช้ไปในภพที่สามโดนฟ้าผ่าตายนี่ช่วยแล้วนะมันก็ยังโดนอยู่ในกรรมวิบากอีกเลยาค่เดียวต้องถูกเสือกัดกินตายเทวดาก็โดนใจพวกสิงสารสัตว ที่อยู่ในป่าพวกเสือให้มาพอพบเห็นเสือก็วิ่งมากระชากเยื่อใหญ่เลยฉีกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นกินโดนเสือกัดกินตายแยกร่างเป็นส่วนว น, นี่คือชาติที่สี่นี่ขนาดช่วยนะ แต่กรรมวิบากมันก็เป็นไปตามคันลองไม่มีใครไปเปลี่ยนกฎกรรมตรงนั้นได้ถ้าเปลี่ยนได้พระพุทธเจ้าต้องให้เวนยาสัตว์ทั้งหมดนิพพานหมดวิบากกรรมฟังทำให้เห็นรู้แจ้งทำให้หมด แต่ไม่ได้ใครที่พึงโปรดได้พระพุทธเจ้าโปรดแต่ใครที่โปรดไม่ขึ้นไม่ได้ที่เรียกว่าปะัะตาประมะพวกบวชใต้นักเป็นเหยื่อของเต่าของปลาอยู่ก็ต้องจมอยู่ก่อนยมดูชายเป็นเนจรอ ถูกจนแทงถูกฟ้ า, าผ่าถูกเสือแทะกัดกินสี่ชาติรวมในชาติเดียวเห็นไหมตมาจึงเข้าใจคาว่าตนเป็นที่พึ่งของตนที่ลึกซึ้งก็คือกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนอง ใครไปเปลี่ยนมันก็ไม่ได้ใครจะมาทดแทนบอกฉันจะเจ็บแทนฉันแต่มาได้ยินบ่อยเวลาพ่อแม่เจ็บป่วยบางทีลูกเจ็บป่วยพ่อแม่ก็ไปบนนะให้ฉันไอจูสั้นแทนสักสิบปีขอให้ลูกฉันหายขึ้นมาแม่เจ็บป่วยนอนที่โรงพยาบาล อยากให้ความเจ็บมันอยู่ที่ตัวเองแทนสงสารแม่มันไม่ได้มันก็ของใครของมันนั่นแหละฉะนั้นเรื่องเวรเรื่องกรรมมันข้ามพบจริงๆที่ยบมา เรื่องของเวรกรรมจิตใจของมนุษย์ที่เราสร้างกันอยู่ทุกวันนี้เมื่อไรพวกเราจะปล่อยวางความแค้นกันปล่อยวางความโกรธความพยาบาทการจองเวรกันให้มันสิ้นสุดกันโยมเอเลือดล้างเลือด แล้วมันสะอาดได้เมื่อไรมันเป็นไปไม่ได้เอาเลือดล้างเลือดเลือดล้างเลือดเลือดล้างเลือ ด, อดมันก็ไม่สะอาดเอาคำด่าห ย, ยาบๆยาใครใใส่กันทั้งฝองฝ่ายแล้วเมื่อไรมันจะสงบไม่มีจึงบอกประราชบัณฑิต ท่านมีปัญญาท่านก็หยุดเสียเมื่อหยุดเข้าไม่ได้ก็หยุดใจตัวเองนั่นคือหลักของการภาวนาะเบื้องต้นเมื่อวาน <c oughs> ก็มีโยม ก็คือสรารู้ว่าชีวิตอยู่ไหนก็ไม่มีความสุขทํางานก็ไม่มีความสุขอยู่ครอบครัวก็ไม่มีความสุขอยู่กับเพื่อนก็ไม่มีความสุขมันมีแต่ปัญหาถ้ามามองพรอบครพวเออ ตัวเรานั่นแหละคือปัญหาคนอื่นเขาอยู่กันได้แต่เราอยู่ไม่ได้นั่นคือปัญหาของเราเลยนะ คนอื่นก็มีความสุขแต่เราอยู่มีความทุกข์นี่คือปัญหาของตัวเราเองเราต้องแก้ไม่ใช่แก้ที่คนอื่นเราต้องแก้ไขตัวเราแก้ไขใจเราตอนหลังจะมาเห็นสัจธรรมเห็นธรรมะพอสมควร ถ้ามาบอกอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขโดยเฉพาะเราสุขใจได้ตมาได้เทียบมาหลายๆอยา่างเวลาง่วงนะก็นอนมาทุกรูปแบบถ้าหลับได้ก็เป็นสุขแล้ว ตื่นขึ้นมาก็สดชื่นฉะนั้นไอ้ที่ปูนอนในเหตุการณ์ชีวิตตอนนี้เราเพิ่งอยู่กับสภาพฐานนะความเป็นอยู่อย่างไรก็จงปรับชีวิตของเราให้อยู่กับสิ่งนั้นอย่างแนบสนิทแล้วท่านจะไม่ทุกข์เลยแตะมานอนมาหลายอย่า นอนที่ไม่มีชายคาก็เป็นกรดของพระที่เดินออกป่าแต่มาก็นอนหลับเป็นสุข ก, ก, ก็กว้างกัแคกกว้างวายาววานท่านั้นก็พอที่จะนอนอยู่ได้ ไม่ดินมากบ้านมงยากระต๊อบที่ปลูกใช้ไม้ยูคาต้นหนึ่งตัดเป็นสองต้นสองต้นได้สี่ท่อนทำเป็นเสามงแฝกมงยาอยู่พื้นก็เอาต้นไผ่มาผ่าซีกแล้วก็ปู ก็นอนหลับได้มีความสุขเป็นปีๆไม่ใช่เป็นวันนะได้ห้องน้ำห้องท่าห้องซ่วมจะเข้าต้องไปหิ้วน้ำจากลำธารมาบางทีไปโยกจากบาดานมาแล้วมาตักใส่โอค์ใส่ภาชนะก็ขับถ่ายไม่มีทุกข์อยู่ได้ อยู่ได้เป็นสังกสีบ้านนอนก็อยู่ได้ที่พักเป็นกระเบื้องก็อยู่ได้อยู่ได้หมดไม่มีอะไรที่มันต่างเลยเราเข้าใจมันเราก็อยู่กับสิ่งนั้นได้แตน่นโยมไม่เข้าใจกับสิ่งที่อยู่มันเป็นทุก ไม่ว่าอะไรเรามีอะไรและเราไม่เข้าใจสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์โดยเฉพาะอยู่กับคนไม่เข้าใจคนทุกข์ตายเลยทุกข์ตายเลยทุกข์นะอยู่กับต้นไม้โยมไม่รู้จักนิสัยต้นไม้มันไม่งามหรอกเชื่อเลย ต้องรู้จักมันไยพวกเราต้องเรียนรู้อีกเยอะบางทีสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือตัวเราเราไม่รู้จักตัวเราด้วยนี่น่ากลัวที่สุดอย่านึกว่าเรารู้จักตัวเราดีพอนะไม่ บางทีตัวเราทำตัวยังใช้ไม่ได้เราคิกว่าดีแล้วนะเนี่ยอย่างบางทีเราวุ่นวายยางคิดว่าเราีนแหม่สำรวมไม่ใช่นะตัวเราเองยังไม่รู้ตัวเรายังไม่รู้จักตัวเองเนี่ยบอกมันเป็นทุกข์ ฉนันเมื่อเราหยุดใครไม่ได้หยุดใจเราก่อนทำก่อนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นหยุดตัวเราแล้วก็มองตัวเราให้ชัดหาจุดบกพร่องให้ได้แล้วแก้ไขแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้น ไม่ว่าอะไรแต่อาศัยเวลาไม่ใช่ทำดีสิบวันเดือนครึ่งเดือนแล้วต้องบอกว่าเราดีแล้วนะบางทีเขายังไม่ยอมรับแต่ในเมื่อถ้าเราดีจริงแล้วเขาไม่ยอมรับก็เรื่องของเขาแต่มาไม่สดเราจะทำดีไม่จำเป็นต้องมีคนมาชมว่าดีดีอยู่ที่ตนทำ กรรมอยู่ที่ตนก่อสติะระลึกอย่างไม่ย่อท้อจิตใจมัน่นคงดำรงให้มัน่นทำแต่สิ่งดีไปสุดท้ายคนไม่ดีจะพ่ายไปเองมันสำคัญว่าเราต้องอดทนก่อนนะอดทนอดทนต่อมาก็ยังชอบอยู่ดี เรื่องเมทับกับขุนพลที่เคยยกตัวอยา่างอกรบสู้ศึกมาเท่าไหร่ขาดศิษนีนิลรัวแต่พอเมทับอยู่บ้านโดนเมียด่าทุบกวนก่อนวันเกิดหนึ่งวันขุนพลก็มาไัยพรขุนพลคู่ใจเมทับ พ่โอโหมาตอนแม่ทัพโดนเมียยำพอดีด่าใชสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดคุณพลฟังไม่ไหวคุณพลดาวาดบอกยุดทำไม่หยุดเดี๋ยวเจ็บเม่ทัพบอกไปห้ามเขาทำไป เราอยู่กเข้ามาเป็นหลายสิบปีแล้วเขาก็ด่าเรางี้ทุกวันเราไม่เคยโกรธเขาเราก็ยังรักเขาอยู่เช่นนี้ท่านมาเดียวเดียวท่านทนไม่ได้แล้วหรือโอ้ขุนพลได้สติคุกเข่าเลยนับถือมาเดียวเดียวเนี่ยทนไม่ได้ แต่แม่ทับอยู่เป็นสิบปียังทนได้สบายดีดูที่ทิงบอกเขาทำการใหญ่ได้เพราะเขามีความอดทนเขาทำการใหญ่ได้พอมีสิ่งยัวย่วยุเขายังมีสติมีสัมปชัญญะอยู่นี่คือหลัก ของการอยู่ร่วมกันของการดำรงชีพไม่ธรรมดาของพวกเราบางอย่างเราไม่เคยอดทนเลยเรารู้สึกไอ้ที่ไม่ชอบนิดเดียวเนี่ยเราก็ขัดเคืองแล้วลองฝึกใหม่ไปให้ก็ดา่าซช่ไหม แล้วก็ฟังดูดีวยว่ามันดีแค่ไหนเออดีดีกว่าเราไปด่าเขาอีกคนอื่นผิดกับเราเนี่ยดีกว่าเราผิดกับคนอื่นนะมันเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งเหมือนกันนะลองดูสิโอ้โหแล้วยมจะทราบซ่านสดชื่นยิ่งกว่าดื่มสไปที่ไปใหญ่แล้วนตะ่พูดจริงนะต้องฝึกบ้าง ลองเขาก็ด่าเราลองฟังดูว่ามันเพราะพริ้งแค่ไหนถ้าไม่ชอบก็อย่าไปด่าคนอื่นเหมือนกันมันได้สติกลับมาเหมือนกันนะเฮ้ hey, เราไปด่าเขาเขาก็ต้องไม่ชอบสิถูกไหมมันเป็นกระจกส่องตนเหมือนกันนะเราก็เออฟังดู เ, เขาด่าเราก็ฟังจิตใจเป็นยังไงวันนี้รู้สึกกระชุ่มกระชวยแค่ไหน สดชื่นขึ้นกว่าเดิมไม่ถูกด่าวันนี้ลองดูฝึกไงต้องฝึกแสดงว่าเรายังไม่รู้งว่าความอดทนอดกลั้นเลยที่พระเจ้าสอนมาตลอดความอดทนอดกลั้นเป็นตำบะเปรียบเหมือนพระฝึกฝนอบรมใจนะนะ่ที่ทำเราไม่ค่อยรุดหน้ากระตรงนี้แหละพอไม่ถูกใจ เต้นแล้วเต้นเองเลยไม่ต้องเปิดเพลงเลยเต้นเองเลยไม่มีท่าเลยเต้นเห็นไหมลองฟังก็ด่าบ้างอาจจะมีความสุขหรืออาจจะรู้สึกว่าเออเราเนี่ยไม่ใช่ย่อยเหมือนกันพอเจอคนไม่ใช่ย่อยแมย่เป็นฟืนเป็นไฟเลยก็ต้องมองกลับมาตัวเรานี่เราก็ไม่ธรรมดานะเนี่ย ตัวเรานี่ก็ไม่ธรรมดาปากร้ายเหมือนกันนะเนี่ยด่าเตรียงเช้นบ้างเออฝึกไงเราก็รู้แล้วสุดท้ายมันค่อยคค่อยคอยค ย, ยกจิตมีธรรมมากขึ้นมากขึ้นมีมโนธรรมมากขึ้นมากขึ้นสบายแนละ้วไม่ทะเลาะกับใคร เนี่ยคือบัณฑิตถ้ายมอย่างทะเลาะกันอยู่ด่ากันไปด่ากันมาบัณฑิตไม่มาเ้ถอะบัณฑิตไม่มามาแต่ตัวกูนี่แหละฝึกมากี่ปีก็กู้นี่แหละใหญ่ใครใหญ่รู้ไม่กู้นี่แหละเออทุกต่อไว้เถอะโยมสังเกตไห กูนี่ใหญ่เนี่ยพวกนี้พวกแบดทุกข์ทั้งนั้นเลยสุดท้ายก็เป็นของบ้างเปล่ามีอะไรชีวิตมันก็ไม่ยาวนากักพอเราเข้าใจแล้วลึกๆแล้วก็มีเมตตาของผู้ภาวนาสุดท้ายก็โหสิกรรมไม่มีเวรกับใคร เราหยุดใจของเราได้พุทโธธรรมโมสังโฆสบายแล้วถึงโยมจะจากไปทุกขติก็ไม่มีเราไม่มีทุกขติภูมิพบที่เกิดมีแต่สุกติจนถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ